สมองตรงนี้นะถ้าเลือดมันมาอยู่ตรงนี้เยอะๆจิตใจจะรู้สึกสบายรู้สึกรีแล็กซ์แต่ถ้ามันเครียดนะมันจะใช้สมองตรงกลางส่วนตรงกลางหลวงพ่อเรียกไม่เป็นนะเราได้แต่ดูเอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยตอนเวลาที่ความรู้สึกแตกต่างกันใช้สมองคนละที่กันนี่คนทั่วๆไปนะมันไม่เคยพัฒนาสมองส่วนที่ดีแต่ละวันแต่ละวันนะมันปรุงแต่งแต่ความชั่วร้ายในใจ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 ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาค่อยรู้อยู่ที่ใจของเรานี่เอรู้เล่นๆ <T. S les> อย่าไปเพง่งอย่าไปจ้องไว้อย่าไปเฝ้ารู้ไว้ <S <S <les> ให้ความรู้สึก <S les> นี่เป็นกฎ <HH> ข้อที่หนึ่งนะของการที่จะดูจิตกฎ <S les> ข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปดักไว้วยอย่าไปจ้องไว้อย่าไปรอดูไม่ใช่ไปรอจ้องว่าเมื่อไรจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นถ้าไปจ้องไว้เนี่ยมันจะนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราะั้นเราอย่าไปจ้องไว้นะ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 กฎข้อที่สองระหว่างที่รู้เนี่ยอย่าถลําลงไปเพ่งไปจ้องให้เราดูอยู่แบบคนมองนอกนะดูแบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียอย่างเมื่อกี้พวกเราสังเกตไหมตอนที่เราดูดอกไม้ใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้นี่ใจเราถลําไปนะอย่างนี้เรียกว่าไม่สักว่ารู้ไม่สักว่าเห็นหรอกจิตถลําลงไปเพ่งไปจ้องถ้าไปเพ่งไปจ้องอะไรจะเกิดขึ้นใจก็จะนิ่งๆแล้วเราจะไม่ไปเพ่งไปจ้องนะ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 ไม่ใช่วิ่งเข้าบ้านเราแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งตามเขาออกไปนี่คือกฎข้อที่สองนะดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกนกฎข้อที่สามเมื่อรู้สภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วให้รู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากมันไม่เป็นกลางให้มันหลงยินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้ามันหลงยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทัน เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่ารู้แบบไม่มีไบแอนะถ้ารู้แบบมีไบแอไม่ใช่นักสังเกตการที่ดีนักสังเกตการที่ดีต้องไม่มีไบ a s นะดูด้วยความเป็นกลางจริงๆสังเกตดูความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขมาแล้วก็ความสุขไปความทุกมาแล้วก็ความทุกไป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 รูปแต่ละรูปนะ่ะสั้นนิดเดียวนะแต่อาศัยความจําของเราเนี่ยเราเลยไปจําว่ามันทุกได้นานหลวงพ่อเคยถามมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการก็ถ า, ถามนะอ้าวใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหาญนะยกมือเลยหนูข่าทุกเป็นปีเลยทุกข์เรื่องอะไรอกหักอกหักหนะ้าทุกเป็นปีใครเคยอกหักบ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอชีวิตไม่มีรสชาติเลยเหรอน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 ไม่มีข้างค้างไม่มีรอเวลาไม่มีดีเลยถามจะดับทันทีเลยนี่ต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกจนสติสมาธิปัญญานี้เชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วเราค่อยฝึกวิธีฝึกก็ไม่ยากอะไรนะคอยตามรู้ความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเราเองคอยรู้ความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเรานะไม่ใช่ในใจคนอื่นนะต้อง ร, รู้ในใจของตัวเองถ้าเราคอยรู้ความรู้สึกที่เกิดในใจเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิด มันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกชนิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปในสุดใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่เป็นทัฒนาการทางจิตใจนะพอมันเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงนานาชนิดนี้เป็นของชั่วคราวถ้าพอมันเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกอย่างเนี้ยจิตมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นมา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 คนที่เรียนกับหลวนะงพ่อนนะั้นเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นหัดเจริญสติเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างอาาัศจรรย์ที่สุดไม่ใช่หลวงพอ่อเก่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเก่งธรรมะเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันน่าทึ่งนะแค่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทําไมให้พ้นทุกข์ได้นะแค่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละทําเราพ้นทุกข์ได้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 รู้ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้ามันเกิดไม่เป็นกลางมันยินดีให้รู้ทันมันยินรายให้รู้ทันถ้าทําตามกฎสข้อนี้ไม่นานเราจะเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเป็นกลางนี่พวกเราเป็นหมอเป็นจิตแพทย์เป็นอะไรนะหรือพยาบาลอะไรต่ออะไรนะอยู่โรงพยาบาลโรคจิตไปพบไม่เพลินไปทํากรรมฐานแล้วบ้าเยอะมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทําถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนยกตัวอย่างนะบางคนไปนั่งหายใจ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 ใครที่ต้องการจะมีคําถามหรือว่าเชิญครับก็จะจะมีสตาฟสองท่านคืออาจารย์ดาวชมพูอาจารย์ดาวชมพูช่วยกับอาจารย์สีจิตนะครับก็สามารถเรียนแถวต่อต่ อ, ต, อต่อกันนะครับแล้วถามทีละท่านนะครับเชิญครับนวัสาการกลุ่มเจ้าครับผมนายแพทย์บุญช่วยเทพยศนะจากโรงพยาบาลดุดรพอนนี้มีปัญหาหนึ่งนะที่พอดีมีคนไข้มาถามผมนะครับบอกว่าเนี่ยอ่าเข้าไป ฝึกปฏิบัติธรรมนะแล้วตอนนั้นเขาพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็เกิ่ว่าคุณแม่ท่านวาร่าภาพนะตอนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็มีความกังวลนะนะแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะแม่จะไปเกิดที่ไหนเนาะจะทํายังไงดีนะเขาก็ทุกข์ใจมาแล้ปรึกษาก็เลยจะเรียนอ่าาจารย์ให้ช่วยตอบปัญหานต่องแยกหรอกนะนะแม่ไปเกิดที่ไหนเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแต่เขาทุกข์ใจเนี่ยเขาทุกข์จริงๆแม่ไปเกิดที่ไหนยังไม่รู้่แต่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้ว หน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่ไปสนใจว่าใครไปเกิดที่ไหนนะชาติหน้ามีหรือเปล่าเลยยังลังเลอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แท้จริงไม่มีใครคัดค้านได้นะคืออริยสัจสี่ความทุกข์เกิดขึ้นมาที่ใจเรานี่ยถ้าเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นแค่อยากรู้ว่าแม่ไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์แล้วละ่นะเขาไม่ต้องห่วงแม่หรอกตอนนี้ให้ให้ดูใจของตัวเองไว้นะมันสการหลวงพ่อครับ ผมติดเพ่งมาสองปีแล้วครับอ่อนลงแล้วเบาลงแล้วรู้สึกไม้มใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วตามรู้ไปจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตอยู่นอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจไม่ทราบว่ช่วงนี้เหมือนกับไปฟุ้งซ่านกับเรื่องภายนอกมากเกินรธรรมดานะไปฟุ้งซ่านกับเรื่องภายนอกใจก็ไม่มีพลังใจไม่มีพลังแล้วพยายาเข้าไปควบคุมก็ไปเพ่งนะเป็นวงจรของมันอย่างนี้น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 ท่านท่านอยากพูดท่านทราบไหมเห็นไหมใจมันมีความอยากพูดความอยากพูดผุดขึ้นตรงไหนดูออกไหมที่กลางอกถูตกต้องงั้นปฏิบัติไปแนวนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดูดูไปตามสบายนะอย่าเพ่งนะยัง <ขอ S 2> มีการคว บ, บ, บคุมตัวเองมากไปนิดนึงศา ส, สนาพุทธไม่บังคับตัวเองนะแต่ว่าควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ก่อนด้วยศีลแต่ทางใจเนี่ยไม่กดข่มให้นิ่ง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 พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรใจเราไปหลงในความนิ่งความว่างเรามีความสุขแต่ความสุขนี้เป็นความสุขแบบเสพติดนะเป็นพบพบหนึ่งอ่ะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่จิตไปสร้างขึ้นมาแล้วจิตก็ิดติดอยู่ถ้าไปยินดีพอใจก็จะติดอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปนะตรงนี้จะไปอารูปประพลมนะไปเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกาย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 ใจไหลแว บ, บไปน ะ, บนะให้คอยรู้ทั น, นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวซ้ายแลข ว, วาดูไปเรื่อยๆนะแล้วจะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราจะไม่ติดอยู่ในความว่างละคาถามข้อที่สองครับท่านก็คือว่าเป็นคาถามของคนอื่นนะแต่ผมตอบไม่ได้ก็คือว่าพอดีผมต้องดูทหารที่ปฏิบัติการพักใต้อยู่ด้วยครับ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 ถ้าดูตอนที่ปัญหาหนักๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ไหวต้องหัดซะก่อนช่วยส่งซีดีหลวงพ่อไปให้เขาฟังไปจะจะเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าทำเรื่องของคล้ายๆสมถะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความสมถะนี่นะอันตรายมากเลยนะภาวนาไปที่เป็นบ้าเนี่ยเพราะสมถะทั้งนั้นยิ่งเครียดเคลียดมากนะต่อไปมันจะกดตัวเองมันจะหนีไปอยู่ในโลกภายใน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 กับนวัตสกานท่านอาจารย์นะครับวันนี้ความจริงผมเพิ่งมารู้ตัวว่าตอนเช้านี้กระวนกระวายรีบจะมาฟังที่ท่านฝึกใช้ได้นะครับก็เพิ่งทราบเพิ่งทราบว่ากระวนกระวายตั้งแต่เช้าเพราะรถติดนะครับอยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอยากให้ใหท่านอาจารย์สรุปว่าถ้าสมมุติมีคนที่เป็นทุกข์ใจนะ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 แต่ถ้าเขายังรู้สึกตัวไม่ได้นะก็แค่ผ่อนคลายเป็นชว่วครั้งชั่วคราวนะคล้ายๆปวดหัวก็กินพาราอนะไรเงี้ยต้นเหตุมันไม่ได้ขจัดไปงั้นหลายคนบางทีไปกลุ้มใจมากๆนะไปอยู่ใกล้ๆอัตมาะค่อยๆสอนไปอย่างเงี้ยไม่ได้จําจีจํำชัยอะไรนะให้เข้าฟังไปฟังไปแล้วเขาค่อยๆสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยพอเขาสังเกตออกเขาก็าหายความเครียดความทุกข์มันหายหมดนะ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 ถ้าเมื่อไรเขารู้ทันว่าจิตเขาไหลไปคิดนะเขาจะตื่นขึ้นมาความรู้สึกนะมันจะเป็นความตื่นซึ่งอัศจรรย์มากเลยเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมานะความทุกข์มันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาครับนะมัสการหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าให้อารมณ์เกิดก่อนแล้วค่อยดูตามผมยังไม่เค่อยเข้าใจครับมผมเข้าใจว่าดูก่อนแล้วจึงค่อยให้อารมณ์เกิดตาม มันก็ยังสับสนอยู่ครับถ้าเราจงใจดูนะอันแรกเลยจงความจงใจที่จะดูเนี่ยถ้าพูดภาษาพระนะมันมีปัญหามีความอยากนำไปละสติจะไม่เกิดถ้าเราอยู่ๆก็จงใจดูไปจ้องไว้รอดูว่าเมื่อไรจะเกิดทุกอย่างจะนิ่งมันจะกลายเป็นการเพ่ง <นะ S 1> คือก็ผมหมายความว่าดูก่อนคือพิจารณาก่อนว่าเออมันเป็นอย่างไรเราจึงเกิดอารมณ์ตาม Oh. แต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าอื hmm. ให้อารมณ์มันเกิดก่อนอื hmm. แล้วจึงดูตามอื hmm. ผมบางทีเข้าใจว่าคนบางคนนั้นอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันยาวอื hmm. มันยาก hmm. ที่จะดูตามได้มันยากมันยากจริงนะแต่ต้องฝึกพระพุทธเจ้าใช้หลักอย่างนี้นะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคานะหลักเท่านี้เองจิตมีราคะนะแล้วก็ให้รู้ว่ามันมีราคะ